ทรงอนุญาตอุปั ช, ชาครั้นพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วได้ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากบำรุงยากมากๆไม่สันโดษความ ค, คลุกคลีความเกียดคล้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมากน้อยสันโดษความขัดเกล่ำความกำจัดกิเลสอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปารบความเพียร โดยประการต่างๆทรงแสดงธรรมีกถาให้เหมาะสมให้คล้อยตามกับเรื่องนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าข้อ65ิภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตอุปชาอุปชาจะเข้าไปตั้งจิตสนิทส น, ทสนมในสัทธิวิหาริกชั้นบุตรสัทธิวิหาริกจะเข้าไปตั้งจิตสนิทสนมในอุปชาชั้นบิดาเมื่อเป็นเช่นนี้อุปชาและสัทธิวิหาริกจกมีความเคารพ ยำเกรงประพฤติกรมเกลียวกันจกถึงความเจริญงอกงามไัยบุญในธรรมวินัยนี้